ช่วงนี้ทางทางเหนือนะคนภาวนาเยอะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วทางใต้ก็เริ่มเป็นปึกแผ่นขึ้นมามีหลายจังหวัดทางอีสานก็มีครูบาอาจารย์อยู่ในหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่านั่นแหละแต่ว่าเอามาเปลี่ยน วิธีพูดสมัยหลักมันก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานั่นแหละแต่เดิมทางครูบาอาจารย์ทางวัดป่านะท่านมุ่งสมาธิเป็นหลักใช้สมาธินำปัญญาตอนที่หลวงพ่อฝึกมก็ฝึกสมาธิมาตั้งแต่เล็กเลยแล้วมาเจอหลวงปู่ดูลยท่านสอนให้เจเริญปัญญา นี่พอจเจริญปัญญาแล้วก็รู้ว่าโอ้ยจริงๆแล้ววิธีปฏิบัติมันหลากหลายพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดาท่านสอนธรรมมาไว้กว้างขวางมากเลยเหมาะกับจริตนิสัยของคนที่รักดีหลายๆแบบบางคนนะต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้ บางคนเจริญปัญญาก่อนสมาธิเกิดตามมาใช้ปัญญานำสมาธิเมืออตอนใช้สมาธิเล็กน้อยคือใช้แค่คณิกะสมาธิเท่านั้นแล้วไปเจริญปัญญาสุดท้ายก็ได้อุปจาราสมาธิได้อัปปนาสมาธิตามหลังมามาเองทุกคนตอนบรรลุอริยมรรยผลนอย่างต่ำที่สุดก็ต้องได้ปฐมฌาน เป็นของแถมนี่บางคนนะยิ่งกว่านั้นอีกสามารถเจริญปัญญาในสมาธิได้ดงนั้นคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้สมาธินําปัญญาปัญญานาสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันคนที่ใช้สมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยต้องชํานาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในฌาน มีวสัสีสี่ประการวัตสีไม่ครบก็เดินปัญญาในฌานไม่ได้ต้องชำนาญในการเข้าสมาธิเข้าฌานชำนาญในการทรงจิตอยู่ในสมาธิถ้าไม่ชนานาญในการเข้านะกว่าจะเข้าได้หมดเวลาแล้วไม่ได้พอนาะนี่เข้าได้แล้วไม่ชำนาญในการทรงไว้พอเดินปัญญาพุ๊มาหลุตออกมาเลยตกออกจากฌานกลับมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้เลย ไม่ชำนาญที่จะส่งอยู่ต้องชำนาญในการออกจากสมาธิด้วยออกมาก็ไม่ขาดตอนของการปฏิบัติม่ใช่เจริญปัญญาตอนทำฌานอยู่ออกจากฌานแล้วเลิกปฏิบัติไปขาดไปเลยนะก็จะต้องมาต่อยเข้ามาสู่กันปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ชำนาญ น, นั้นที่สี่ก็คือชำนาญในการเจริญปัญญาคือการต้องดูจิต ด, ดูใจเก่งเจริญปัญญาในสมาธินี่ต้องดูจิตเอาดูกายไม่ได้เพราะอะไรเพราะการเจริญปัญญาในสมาธินี่เราจะดูความเกิดดับขององค์ชนันองค์ชันนะมีตกมีจานปีติสุเกกัคตาอะไรพวกนี้ความตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นอะไรพวกนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นนมามธรรมทั้งหมดเลยไม่ใช่รูปธรรมเงินคนที่เจริญปัญญากับสมาธิควบกันได้นะั้นต้องชํานาญทั้งชาญชํานาญทั้งการดูจิตในยุค ข, ของเราเนี่ยหายากที่สุดเลยเป็นวิธีปฏิบัติที่หายากวิธีที่หาง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือใช้ปัญญานําสมาธิพระสมาธิของคนรุ่นเราเนี่อ่อน นักการศึกษาบนด้วยว่าเด็กยุคนี้สมาธิสั้นผู้ใหญ่ก็สั้นเหมือนกันนะไม่เฉพาะเด็กเราก็โทษเด็ก <c oughs> ใจนะัวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเงสมาธิไม่ค่อยจะมีหรอกเงี่งสมาธิเลยเป็นทรัพยากรที่หายากนะสิ่งที่พวกเรารุ่นนี้มีก็คือปัญญาคนรุ่นเราเนี่ยไม่ใช่ศรัทธามาก แต่ก็มีกลุ่มศรัทธาเขาก็ศรัทธาของเขาอะ น, นะสิ่งที่พวกเรามีคือปัญญาเรารู้จักใช้เหตุใช้ผลเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีนี่นแหละเอามาต่อยอดไม่จาเป็นต้องฝืนไปนั่งสมาธิให้ได้ชาญก่อนอย่างในพระสูตรก็มีอย่างยุคคารนทสูตรพระนนท์ท่านสอน เรื่องสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันแล้วก็ต่อด้วยเรื่องวิปัสสนูปกเลสไม่ว่าจะทำเจริญปัญญาแบบไหนในสแบบนะสุดท้ายก็เจอวิปัสสนูเหมือนกั น, <ม>นเติมคนมีแต่ความเชื่อยึดติดนะก็ะต้องเข้าฌานต้องนั่งสมาธิให้มากเลยแล้วมันถึงขนาดที่คิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลย ถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วปัญญาเกิด น, นะหรือสีชีพลบรรลุไปก่อนพุทธเจ้าเราแล้ ว, ลวเขาข้นั่งสมาธิมาก่อนได้ถึงฌาน8แต่จะบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิซึ่งผิดอีกนะพวกเราอย่าไปบอกว่าไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธินะหรือว่าต้องเดินปัญญาก่อนอย่างเดียวรุ่นต่อไปมันจะไปคิดอย่างนี้อีกก็ได้ไอ้นั่นเข้าใจแคบนะไม่ถูกอีกเหมือนกัน เราชาวพุทธจะไปตัดตอนคำสอนของผู้ชี่้าท่านสอนไว้ทั้งสามแบบก็ต้องถูกทั้งสามแบบไม่ใช่แบบที่เราทำแล้วถูกคนเดียวเพียงแต่ว่าเราเหมาะส่วนใหญ่ของคนรุ่นนี้พวกเราพวกเรียนหนังสือมากทำงานก็ใช้ความคิดมากเราอยจะไปทำสมาธิก่อนจิตมันไม่รวมมันฟุ้งตลอดวันมาแล้วแล้วเรามีปัญญาเราก็ใช้ปัญญา มาพัฒนาจิตใจของตัวเองแต่ต้องใช้ให้ถูกนะต้องใช้ให้ถูกหลักของพระพุทธเจ้าอยู่ๆไปใช้ปัญญานั่งคิดเอาอย่างเดียวนะก็ไม่ใช่ใกลายเป็นความฟุ้งซ่านของจิตอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเราก็ต้องรูนะ้ปัญญาเป็นยังไงก็ต้องรู้เหมือนกันจเจริญปัญญาทำแบบไหนจเจริญแล้วได้อะไร สิ่งเหล่านี้ต้องเรียนต้องรู้ทั้งนั้นจเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งอ่านนั่งฟังฟังซีดีทุกวันฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันเลยเนี่ยคือจเจริญปัญญาเข้าใจผิดแล้วปัญญาจากการอ่านการฟังนะเขาเรียกว่าสุดตามัยะปัญญาสิ่งที่จะให้เราได้คือความจำไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาตัวจริงเราจำปัญญาของคนอื่นมา อย่างฟังซีดีแล้วพอเข้าใจธรรมะนั่นมันปัญญาหลวงพ่อไม่ใช่ปัญญาเรานะอ่านพระไตรปิฎกแล้ว เ, เข้าใจธรรมะนั่นปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัญญาของเราบางคนก็นั่งคิดเอานะคิดเอาเ็าเรียกว่าจินตามะยะปัญญาสิ่งที่ได้ก็ได้ความคิดปัญญาในระดับคิดเอาถูกบ้างผิดบ้างอ่านเอาฟังเอาก็ได้ความจา คิดเอาก็ได้ความคิดอยากเห็นความจริงก็ต้องดูของจริงการเจริญปัญญาที่จะทำให้เราเห็นความจริงของรูปนามขัน5าได้มีวิธีเดียวคือไปดูของจริงไปดูกายอย่างที่กายมันเป็นไปดูใจอย่างที่ใจมันเป็นจะดูเป็นได้นะใจต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเป็นยังไง จิตต้องไม่สุดตรงไปสองข้างจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชานนะปัญญาไม่เกิดออกเน้นบางคนเขาบอกว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาถูกถูกเหมือนกันนะแต่ถูกเซี่ยวเดียวต้องมีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ถึงจะเกิดปัญญาต้องมีรักขณูปนิชฌานจิตถึงจะเกิดปัญญาไม่ใช่มีสมาธิทุกชนิดแล้วจิตเกิดปัญญาสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทําไมไม่มีใครบรรลุมรรผลว่าสมาธิชนิดนั้นมันไม่ถูกเรื่องสมาธิแยกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติจิตเป็นอกุศล ก็มีสมาธิไดนะ้เช่นนั่งเราก็หลอนเห็นน้อนเห็นนีนะ่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นน้อนเห็นนี่เห็นผีเห็นเปรตนะเราก็คิดว่าจริงๆมีจริงๆเลยนะมันหลอนมากมากแยกไม่ออกนะเวลาเห็นนั่งอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าคนหรือผีนะนี่พวกนั่งสมาธิไม่ชนานาญนะพอไปเห็นก็ไม่รู้ว่าคนหรือเปล่า ทีนึกว่าคนเป็นผีผีเป็นคนอะไรนะยุ่งสมาธิอะไรที่ไม่ประกอบด้วยสตินะเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยและสติที่ดีเลิศคือสติปัฒนาและสติที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะสติที่ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีเลิศ ก, ก็ยังมีอีกอย่างเวลาใจของเราคิดถึงการทำบุญทําทานคิดถึงอะไรที่เป็นกุศลนะ จิตดวงนั้นมีสติแต่เป็นสติสาธารณะสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือสติรู้สึกกายสติรู้สึกใจสติรู้รูปนามสติทั่วไปไม่ทําให้บรรลุมรรคผลออกนะสติที่จะทําให้เราบรรลุมรรคผลได้้นสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงนสติปัฏฐานที่พระเจ้าสอนสติปัฏฐานอานิสงส์มากบางคนนะเจ็เดือนเจ็ด ปีเจ็ดวันอะไรเนี่ยบรรลุล้วบางคนวันเดียวก็บรรลุพระอรหันาหานะต์แล้วทําสติปัฏฐานมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนี่สมาธิอะไรที่ไม่มีสติเลยนะเป็นวิชาสมาธิอย่าไปทําขณะที่ออกนอกทั้งหลายลืมนืลื ม, ล ม, ลมตัวทั้งหลายนะเลี่ยงเลี่ยงซะไปเห็นพระเห็นอะไรตอนน่ออะไรนะไม่จําเป็นหรอกให้เห็นกายเห็นใจใหเห็นกิเลสของเราได้มีเศษกว่า เป็นทางที่จะพ้นทุกไปสมาธิที่ประกอบด้วยสติก็ยังมีสองส่วนอันหนึ่งมีสติเฉยๆอันหนึ่งมีสติและปัญญาควบกันมีสติอยู่เฉยๆเช่นเรารู้ลมหายใจจิตเราจับอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยก็เป็นสติปัฏฐานเหมือนกันสติรู้กายรู้ใจแต่ได้สมถะ ในสติปัฏฐานนะมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนานะอย่าไปอย่านึกว่าเป็นวิปัสสนารวดขณะมีสติรู้กายรู้ใจยังเป็นสมถะเลยอย่างเห็นท้องพองเห็นท้องยุบก็เป็นสมถะเดินจงกรมยกเท้ายัางเท้าเห็นเท้าเคลื่อนไหวก็เป็นสมถะไม่ประกอบด้วยปัญญาคือไม่เห็นไตรลักษ ้มีสติด้วยมีปัญญาด้วยนะมสมาธิอย่างนั้นดีที่สุดเลยใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีสติระลึกรู้รูปรู้นามมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนอามเห็นนั้นเรียกนักธรสติปัฏฐานได้ดีสมบูรณ์แบบเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่จุดนี้ให้ได้มาฝึกจิตฝึกใจสะก่อนนะให้มีสมาธิที่ถูกซก่อน จนจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะมีสติรู้กายรู้ใจไปแต่รู้อะไรรู้แล้วมองลึกลงไปให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจคือความจริงของกายของใจจะรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจได้ใจต้องตั้งมั่นใจต้องเป็นกลาง หลวงพ่อจะสอนอยู่เนืองๆนะว่าพวกเราต้องฝึกนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงให้เห็นไตรลักษณ์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนี่เราต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพที่จะสามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางได้ จิตที่มีคุณภาพที่ดีดังกล่าวนี้นะคือจิตที่ไม่หลงไปสู่ความสุดต่งสองด้านสุดต่งด้านที่1คือจิตที่ลืมกายลืมใจถ้าเราลืมกายลืมใจนะเนี่ยไม่มีสมาธิเลยไม่มีสติปัฏฐานด้วยอาจจะมีสติทั่วทวไปหรืออาจจะขาดสติไปเลยก็ได้ถ้าขาดสติเลยจิตเป็นอกุศลที่มีสติแต่ว่าสตินะั้นไม่ได้ รู้กายรู้ใจก็เป็นสติทั่วๆไปเช่นอยากฟังเทศนะคิดถึงหลวงพ่อประโมดหนึ่งเนี่ยมีจิตจับอยู่กับหลวงพ่อจิตเป็นกุศลนะแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะไม่ใช่ดูกายดูใจของเราเองไปดูหลวงพ่อดูพระพุทธ ร, รูปดูพระพุทธเจ้าอะไรนึกถึงพระนึกถึงอะไรจิตที่หลงไปนะลืมตัวเองนะเป็นจิตที่แย่ที่สุดคือจิตที่ใช้ไม่ได้เลย แล้วมันเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดด้วยโดยธรรมชาติธรรมดานะตั้งแต่เราเกิดมานะจิตของเราก็ลืมตัวเองตลอดเวลามันสนใจคนอื่นมันสนใจสิ่งอื่นมันไม่สนใจตัวเองตื่นนอนมาก็ไม่ได้รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจตื่นนอนมาก็คิดแต่เรื่องคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นวันนี้นัดใครไว้วันนี้จะไปทาอะไรมีแต่เรื่องข้างนอกหมดเลย ธรรมชาติของจิตเราเนี่ยออกนอกตลอดเวลาหลวงปู่ดูลั่ฑ์สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกแล้วท่านก็ต่ออีกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกของหลวงปู่ดูลก็คือให้จิตตั้งมั่นนั่นเองจิตมีสมาธิที่ถูกที่จะใช้เดินปัญญานั่นเองแต่คนทั่วไปไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่มีนะเทพพรหมที่ไม่ได้พ ORN าก็ไม่มีเหมือนกัน จิตจะออกนอกตลอดสนใจสิ่งอื่นสนใจคนอื่นลืมกายลืมใจของตัวเองอย่างเวลารถชนกันบนถนนนะชนกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะรถติดทั้งสองฝั่งเลยเพราะทุกคนสนใจอยากดูอยากดูบางคนก็กลัวไปก็ดูไปนะได้เห็นรถชนกันอยู่ไกลๆหวัดเสียวตายเละเทเป่าก็ไม่รู้ เห็นรถตะแคงตะแคงอยู่นะถามว่าดูไหมดูส่วนใหญ่จะดูชะลอนะแบบอย่างๆก่อนถ้ามันไม่น่ากลัวก็ดูนานหน่อยก็มีบางคนไม่อยากดูนะแต่กรรมให้ผลกลัวเห็นศพเละเทะนะหันมาดูอีกข้างนะึงเขาย้ายศพมาไว้แล้วเนะนี่ยอากุศลให้ผลนะหเห็นของไม่สวยไม่งามนี่เราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นนะ ใจไม่อยู่กันเน้อกับตัวเนี่คือใจที่ขาดสมาธิที่ถูกต้องใจออกนอกคนทั่วๆไปมหลงออกตลอดเวลานะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้ดูก็นั่งคิดไปเรื่อยเวลาคิดก็รู้เรื่องที่คิดระหว่างที่รู้เรื่องที่คิดมีกายลืมกายมีใจลืมใจเนี่ยขาดสมาธิที่ถูกต้องแนละ้ลืมกายลืมใจตัวเองไปจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัว คำว่าสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะมันตรงกับคำว่ามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ล่องลอยลืมเลือนไปนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะที่ทําให้เราขาดสมาธิที่ถูกต้องก็คือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจหนีไปคิดไปดูไปฟังอะไรต่ออะไรวุ่นวายตลอดเวลามีกายลืมกายมีใจลืมใจ ใจิตใจชนิดนี้ไม่ขาดสมาธินะเดินปัญญาไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นกายเห็นใจมันลืมมีกายลืมกายมีใจลืมใจแล้วมันจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้ยังไงนะสิ่งที่ผิดอันที่สองนะั้นที่ทำให้เราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะคือการบังคับกายบังคับใจเพ่งกายเพ่งใจแล้วคอนเซนเทรเอาจิตนะจับเข้าไปจ่อเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียว เช่นดูลมหายใจนั่นก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจได้ได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบได้สมถะกรรมฐานแต่ไม่เดินปัญญามันไปเพ่งไว้จิตนั้นถูกดัดแปลงให้นิ่งกว่าความเป็นจริงนะบางคนดูท้องพองยุบบวกเนี้ยไปเข้าคอสวิปัสนาะเข้าคอสวิปัสนาดูท้องพองยุบําเห็นอะไรเห็นท้อง เห็นท้องนะขยับท้องขยับนี้เห็นหมดเลยนะเห็นท้องเป็นสมถะนะเพราะวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นลมหายใจก็เป็นสมถะเพราะวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นยังไม่ขึ้นวิปัสนาเลยส่วนใหญ่ที่ฝึกกันเป็นสมถเะเผอเกิดอาการแปลกๆทำสมถะมันจะมีอาการประหลาดๆเกิดขึ้นเนึกว่าบรรลุมรรคผลเข้าใจผิดไปหนักขึ้นอีก เลยต้องพยายามยกระดับใจของเรานะให้มีสมาธิที่ถูกต้องพ้นจากความสุดต่งสงด้านนี่คือสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าสอนนะถ้าเราไปดูคําสอนปฐมเทศนาปฐมเทศนานะ่าจะเริ่มต้นด้วยความสุดโต่งสองด้านที่บรรพชิตคือผู้ระพปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรเสพ คามสุดตรสองด้านมีอะไรมีกามสุขาริการนยิยคเพลิดเพลินไปในกามอะไรเรียกว่ากาม ร, รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายใช่ไหมของอยู่ข้างนอกทั้งหมดเลยใจไม่ออกนอกแนั้นเองสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรซ่องเสรอันที่สองคือนักปฏิบัติไม่ควรทําอันที่สองคือการทําตัวเองให้ลําบากเรื่องอัตตกขิลมฐ า, านนยิย o บังคับกายบังคับใจ ทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมก็บังคับกายบังคับใจจะบังคับกายก่อนพอบังคับกายได้ที่แล้วก็จะบังคับใจนะอย่างหลวงพ่อทดลองมาหลายสำนักหลายที่แล้วนะอา้าวพวกเรานั่งสมาธิสิ่งแรกที่ทำํำก็ตอนนี้ยังไม่ได้นั่งเลยก็ไม่รู้นะขยับให้เรียบร้อยอ่ะนั่งแล้วเนี่ยบังคับกายเสร็จก็บังคับใจต่อ เอาความจริงอยู่ที่ไหนอ่ะความจริงหายไปหมดละเวลาจะให้เดินจงกรมนะอา้าวเดินจงกรมลุกขึ้นพลวดนะเดินอานอ่านอ่านมาไม่มีสติเลยนะจะมาเข้าหัวจงกรมหัวทางจงกรมพอมาเดินมาถึงหัวทางจงกรมนะขาสติมาตลอดทางเลยมาถึงตรงนี้ <c oughs> วางฟอร์มเรียบร้อยแนละ้วทางกายก่อนแล้วก็ทําใจขลึมแล้วก็เดิน <c oughs> ไม่มีของจริงให้ดูแล้วนะกายก็ถูกดัดแปลงให้เรียบร้อยกว่าความเป็นจริงใจก็ถูกดัดแปลงให้นิ่งกว่าความเป็นจริงตอนนี้นั่งอยู่ใช่ไหมปฏิบัติทมทำไงเห็นตัวนี้มันนั่งไม่เห็นต้องขยับเลยมันนั่งอยู่แล้วอ้อาวทุกคนนั่งสมาธินั่งอยู่แล้วนะใจตหากหากที่ไม่มีสมาธิ ใจทำไมไม่มีสมาธิใจหนีไปฟุ้งไปฟุ้งมารู้ทันในตัวขโมยตัวนี้หลยตัวหนีนี่แหละหัวโจก ร, รู้ทันที่มันหนีไปหนีมานมันเหนี่ยมนะมันก็เลิกหนีเชื่องเ ช, ชื่องรู้เนื้อรู้ตัวอย่โอยของง่ายนะทำให้ยาก <c oughs> พวกนั่งสมาธิาชอบคุยโมโว่ากูเก่งกูฝึกยอดเยี่ยม <c oughs> ส่วน่านั่งสมาธิลือสี ไม่ใช่สมาธิรู้สึกตัวหรอกมัถึงไม่ได้มักได้ผลกันนะ้พวกเราสิ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้ก่อนนะที่จะไปเติดปัญญาคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่สบายๆด้วยไม่ได้บังคับให้อยู่นะสมาธิชนิดนี้จิตไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัว จิตไม่ได้เคร่งเครียดบังคับว่าห้ามลืมทางสายกลางอยู่ตรงที่ว่ามันลืมตัวเองจิตมันไหลไปรู้ว่าไหลทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถนัดพุดโทโธทําพุโทโธถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปอะไรก็ได้นะจะเปิดซีดีหลวงพ่อก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้าทันจิตที่ไหลไป อย่าฟังกรรมฐานหลวงพ่อนะใจไหลไปคิดรู้ทันใจกลับมาฟังรู้ทันเนี่ยใจขำขึ้นมาแล้วใจงงแล้วเน่คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปหรือพุโทโธพุโทโธใจหนีไปคิดรู้ทันใจไปสงบอยู่รู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันรู้ทันใจไปการที่เรามีสติรู้ทันจิตรู้ทันใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ถ้าเราลาเลยสิ่งนี้ไปเนี่ยเราจะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเพราะบทเรียนที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องนะชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตก็คือคอยรู้ทันจิตไหมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันหลงไปไหลไปมันหลงไปคิดี่รู้มันหลงไปเพ่งก็รู้ เช่นเรารู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปคิดเราก็รู้จิตเป็นนิ่งไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะการเคลื่อนจะดับอัตโนมัติเพราะการเคลื่อนนั้นเป็นความฟุ้งซ่านของจิตทันทีที่สติระลึกรู้ความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับจิตให้สงบนะแค่รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตไหลไปไหลมาจิตจะสงบอัตโนมัติแล้วสงบพอดีจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอดีเป้เลย นี่พอเราจิตเป็นผู้รู้หลายๆครั้งเขาเราจำผู้รู้ได้เราไม่คอยสนใจตอนที่จิตหนีไปแล้วอยู่ๆเราก็จับเอาตัวผู้รู้เลยตัวนี้เป็นผู้รู้ที่ผิดนะมันจะเป็นผู้รู้รู้ตัวอยู่จริงนะแต่ใจจะแน่นๆทื่อๆแข็งๆดังนั้นตัวผู้รู้จะมีสองชนิดอีกนะผู้รู้ที่ถูกเนี่ยเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคาโทสะโมหะ สบายรู้ตื่นเบิกบานตัวรู้ที่เราจงใจทำขึ้นมานะจะแข็งแข็งหนักๆนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมๆึมทื่อๆนะประกอบด้วยโลภะมีโลภะเนี่ยอยากทำมันขะึ้นมาประกอบด้วยโมหนะมีความหลงอยู่ถ้าไม่หลงไม่มีโลภะหรอกนะพอมันไม่สงบเพราะประกอบด้วยโทสะอันนี้หงุดหงิดํดำคาญนะแน่นมากๆลาคาญไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้เฉยๆนะ เป็นผู้รู้แข็งแข็งผู้รู้อย่างนี้ไม่เอาเวลาเราปฏิบัตินะให้เราทำตามขั้นตามตอนทำมาตั้งแต่เบสิกทุกวันเริ่มต้นใหม่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปก็ได้นะแล้วจิตไหลไปเรารู้ไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันตัวรู้ที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้น mm hmm. เมื่อได้ตัวรู้ที่ถูกต้องแล้วนะเราจะมีความสามารถคร น, ะนี้จะสามารถไปเจริญปัญญาได้ ยิ่งสิ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้ก่อนนะคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางโดยที่ไม่ได้เจตนานะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตดวงนี้ถ้ามีจิตดวงนี้แล้วเนี่ยการเจริญปัญญาจะทําได้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้เจริญปัญญาไม่ได้จริงถ้าไม่คิดเอากขาเพ่งเอานะงั้น3มวันที่มาเข้าคอร์สนะถ้ายังไม่เคยฝึกอะไรก็ฝึกตัวนี้ให้ได้สําเร็จสักก่อน งานแรกที่พวกเราต้องฝึกนะคือฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับให้มันเคร่งเครียดเอาไปกินข้าวไป